พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องมีศีลโอ หลวงพ่อเองเห็นพระลูกพระหลันเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นแล้วก็อุ่นใจนะลูกหลานนะเพราะว่าจะเป็นการสืบทอดเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาทาว่ามีแต่หลวงปู่หลวงตาเอ่ออย่างหลวงพอออ่อพายุเจเอปีพออีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะหมดไปแล้วอ่า แล้วก็ศรัทาญาติโยงกเหมือนกันถ้าอายุมากๆอายุแก่แล้วถ้าว่าโรงโรยไปตามอายุสังขารถ้าไม่มีลูกหลานอายุน้อยหนุ่มเป็นทายาทหลวงพ่อก็วิตกกังวลเหมือนกันอันนี้ไปเห็นพวกเราที่เขามาบวชสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อุ่นอกอุ่นใจด้วยกับพระพุทธศาสนาคงจะอยู่คู่กับ ประเทศชาติชาติไทยของเรานานเท่านานเราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันจักรีเป็นวันตั้งวงตระกูลของเมืองไทยของเราและก็เป็นวันพวกเราบวชคราวนี้ก็ บ, บวชเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติประเทศของเราที่พวกเรารักเคารพนับถือ แล้วก็เป็นวันอายุครบพระองค์อองท่านแปดไปอีพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนบุญคุณของพระ อ, องค์ท่านพวกเราจึงได้บวชเพื่อจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมนำคุณงามความดีเป็นการทว เป็นการถวายพระ อ, องค์ท่านขอให้พระ อ, องค์ท่านจงมีพาระานามัยสุขภาพกายสุขภาพจิตใจใเข้มแข็งเป็นร่มขอให้เป็นร่มโพล่ร่มทรของพวกพวกเราประสบในกรนานเท่านานอันนี้พวกเราก็นี่แหละถ้าเป็นเงินคำทรัพย์สมบัติเรามอบไปถวายท่านก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งแต่พวกเรานี่ย เ, เป็น อยู่ชนน้ำบดกับเป็นข้าราชการกับเป็นผู้น้อยไม่มีอะไรที่จะทดแทนยิ่งกว่าการปฏิบัติปูชาระหว่าการทาคุณนามความดีรือ ว, ว่าการรักษศีลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระออที่บวชมายาวนานหลวงพ่อก็เห็นด้วยกับลูกหลานนะเออนี่แหละไม่มีพวกเราไม่มีอะไรที่จะ ทดแทนพระคุณของอฟ้าของแผ่นดินพวกเรากนนีได้ประพฤติปฏิบัติตนรักษาศีลภาวนาเนี่แหละบลวพ่อว่าดีที่สุดแล้วนะคณะลูกหลานน ะ, ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หกเมษายนพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าหลวงพ่อเองนี่แหละก็เห็นคุณ มองเห็นเหมือนเหมือนกัน ล, กลูกหลานเนี่ยมาเมื่อเช้าตรงนี้มาฉันอยู่ที่ทหารปสิบคือปืนใหญ่ที่ไข่ที่อุดรคือเขาอยากจะสร้างอาคารเพื่อจะเป็นเพื่อขอพระคือพระพุทธโรค เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะปัรจุพระพุทธโลปทหารกองพันในกองพันคือทหารปืนใหญ่มีทั้งหมดมีกองพันหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวด้วยคนในประมาณสามพันกว่ายังไม่มีที่เขาเคารพสักการะไม่มีที่กราบไหวเ้เขาก็เข้าไปในมลเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เห็นว่าเออชาติศาสน า, าและข้าทหาร ก็เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติทาหารวากรที่จะไปรักษาปกป้องดินแดนที่ไหนในประเทศไทยหรือต่างต่างประเทศก็ตามที่ส่งไปเขาจะต้องไปกราบพระพุทธรูปขอสินขอพรขอให้คุ้มครองชีวิตทรัพย์สินขอกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาอันนี้ถ้ า, าว่าไม่มี พระพุทธปฏิมาอยู่ในกลมกลองของเขาหรือไม่มีหอพระเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปกบไปกราบไหว้ที่ไหนไปวัดอื่นหรือสถานที่อื่นหลวงพอ่ออะไรน่าจะมีในในกลมกลองของทหารแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดขึ้นมาทําขึ้นมาแล้วสองสองผู้สองผู้บังคับบังคับกองพันแล้วไม่ไม่สำเร็จผมก็เลยเป็นคนที่สาม ผมก็มีความมุ่งมั่นความตั้งใจว่าจะเกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อได้ยินแล้วพอเอื้งเป็นคงจะเกิดประโยชน์อย่างที่ผู้พันที่เป็นหัวหน้าคิดไว้หลวงพ่อก็เลยได้ออกมาเนะี่ยทั้งที่ในวัดของหลวงพ่อเองวันสงวันจักรีอย่างนี้หละหรือวันพระอย่างนี้นคนเขารู้สึกกวนมากพอสมควรแต่หลวงพ่อก็เห็นว่าจุดนี้สําคัญกว่า เ, เพราะ เราจะได้มาทอดพระปาหาทุนเพื่อจะสร้างอาคารหลังนี้นะลงพ่อจะได้ออกมาเมื่อเช้าเดีก็มาฉันนะที่นี่แหละได้พูดนะเกี่ยวกับเนี่ยนะเพื่อหาทุนให้กับนะกองพันนะทหารปอ13เนี่ะเสร็ 13, นะจแล้วก็ในหลวงพ่อได้มากับหลวงพ่อสักดนะิันก็สนิทสนมกับท่านจกคุณ วัดเสือของเราวัดการเจนะบุรีเจ้าคุณจันทร์ของเราแต่หลวงพ่อไม่แต่เจ้าคุณจันน่ะแต่ชื่อจริงของท่านหลวงพ่อก็จําไม่ค่อยได้แต่พอหลวงพ่อจันทนีเป็นญาติโกโหติกาเป็นญาติธรรมหรือเป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อพอท่านบวชเข้ามาก็อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดด้วยกันกับหลวงพ่อเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวด้วยกันถือว่าเป็นเสมือนพี่พีน้องๆกันนะ่ะมีอะไรก็ ไปมหาสู่กันรักเมตตากันแต่ในท่านก็ทราบว่าท่านได้บวชลูกหลานที่วัดของท่านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเทพท่านจะได้เข้ามาในในเมืองวันนี้ท่านอาจารย์จะพอว่างไหมก็พอดีจวบโอกาสที่หลวงพ่อด้ลงมากรุงเทพพอดีพอดี และวันโูนี้ก็จะได้ออกไปฉันข้างนอกหลวงพ่อเออเอาได้ทั้งที่หลวงพ่อลงมาจากมื้อเช้าผลงานหนึ่งนะั้นลูกหลานแล้วก็นั่งเครื่องลงมาพอเขามาเห็นลูกหลานนั่งอยู่ใต้ถุนสวนแสงธรรมแห่งนี้ก็เห็นแล้วก็อุ่นใจหลวงพ่อกลับมาขึ้นมานั่งบนอาสนะก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งใจฟังนะัง้นหลวงพ่อจะพูด อะไรให้ฟังแนะนำบอกเล่าให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นฝ่ายธรรมะในเมื่อพูดไปแล้วจบลงไปแล้วหลวงพ่อจะมีหนังสือและ m p 3แจ ก, กให้ลูกหลานอีกเพื่อเอาไปศึกษาเอาไปอ่านาดูอีกนั่นแหละพอพวกเราบวชเข้ามาถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้เป็น ม, มีเวลาน้อยที่มีคุณค่ า, เ, าเป็นชีวิตที่มีให้มีคุณค่าให้มากที่สุด ถึงจะเราไปอยู่นักสถานที่ใดก็ตามถ้าเราปล่อยปะละเลยปล่อยจิตปล่อยใจไม่ได้สนใจไฝ่ธรรมะไม่ได้ประกอบคุณงามความดีถึงจะอยู่นานก็แปลว่าเปล่าประโยชน์นะลูกหลานแต่ว่าพวกเราเข้ามาอยู่เป็นมีเวลานมีเวลาน้อยแต่เราสงนใจไฝ่ธรรมะศึกษาธรรมะอย่างน้อยก็เป็นเครื่องได้นำทำคำสอนบางเรื่องบางประเด็นหรือ บ, บางแนวความคิด เข้ามาส ก, กิดจิตส ก, กิดใจของเราเราสํานึกได้ว่าเออเราไม่น่าคิดไปพูดหน้าพูดไม่น่าทำอย่างนั้นเราก็เป็นคนดีขึ้นมาได้นั่นแหละเพียงคําพูดคําเดียวเท่านั้นแหะจะมีประโยชน์ติดจิตติตใจเป็นนานเท่านานเพราะนั้นการเข้ามาศึกษามาสู่ธรรมะครูบาอาจารย์ท่านเองอยากจะให้พวกเราเข้ามาฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่แต่ละองค์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 แล้วก็ท่านมีบาลีว่าสุสังลสเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าตั้งใจฟังฟังด้วยดีถ้าเราไม่ตั้งใจฟังฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็เท่านั้นแหะก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันสุตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้กวรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่ท่านอาจารย์และหลวงพ่อที่ท่านพูดให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังนี้อันนี้ว่าจิตตามะยะปัญญาภาวนามยปัญญาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเน่งในเมื่อจิตใจเน่งจิตใจสงบแล้วนำจิตใจที่ผ่านความสงบแล้วนั้นมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเนี่ยนี่แหละ สรุปแรกก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้บอกกล่าวให้พระลูกพระหลานน้องน้องทั้งหลายได้ฟังว่สู้สั่งรัชเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะนั้นในลูกหลานตั้งใจฟังอหลวงพ่อจะพูดเป็นจิตจะลักษณะเรียกว่าเป็นทํานองตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศนาว่าการให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษานะ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 สีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทะเยติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกลูกหลานคณ ะ, ะพระเนรได้บวชที่วัดหลวงตาจัน์การจจนบโพีวัดเสือของพวกเราบวชเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเทพ พวกเรารักเคารพในองค์ท่านบวชมาหลายปีปีที่แล้วนี่ก็มีครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อได้เป็นผู้ได้แสดงธรรมที่สวนเสียงธรรมแห่งนี้มาวันนี้ก็ได้มาพบกับกลุ่มลูกหลานอีกเหมือนกันมีพระเนนทั้งหกสิบกว่าพระ40กว่าธรรมเนนอีกยี่สิบกว่ารวมแล้ว60สกว่ารูปไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่พวกเรา ได้บวชในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อเองขอขอบข อ, อนุมโมทนากับเจตนาของลูกของหลานของพระลูกพระหลานทั้งหลายที่เสียสละบวชในพระพุทธศาสนาทั้งที่พวกเราเป็นฆราวาจญาโยมทานอาหารวันละสามมื้อกี่มื้อก็ไม่ทราบแต่มาคราวนี้เข้ามาบวชพวกเราก็อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยท่านจะเน้นหนักให้ฉันน้อยฉันมื้อเดียว แต่ทึ้งยังไงก็ตามข อ, ขอให้ลูกหลานทั้งหลายให้อดทนในการเป็นอยู่ใช้ชีวิตอย่างพระให้ถูกต้องอย่าให้มีเรื่องราวในการเป็นอยู่ด้วยกันสรุปแล้วก็ให้เป็นผู้มีศีลอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธพาสีวสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโพก็สมปทาถ้าผู้รักษาศีลดีแล้ว อ, อนิสงศี จะเกื้อกูลหนุนพวกเราก็จะมีความสุขในพวกทรัพย์สีเรนะนิพพ์ติงยันติพวกเราจะไปสู่นิพพานได้เพราะสินเพราะฉนั้นศินไม่ใช่ของเล็กน้อยนะพระลูกพระหลานนะเพราะฉะนั้นสินพวกเรารักษาเนี่ยตอนแรกก็คื อ, อ, อพวกเราถ้าเป็นค า, ารวาสบอกว่าศินห้าสินห้ า, ส, หาสินห้าก็คือ ข้อที่หนึ่งฆ่าพรเจ้าจะไม่ฆ่าการคิดฆ่ากันการไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเรานะลูกหลานคิดเทดีดูสิในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาฆ่าเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันในเมื่อเขาไปเมื่อเราไปฆ่ามอกพ่อแม่พี่น้องของเขาเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่า การคิดค่ากันไม่เป็นผลดีมันมีแต่เสียทำให้กระเทือนใจทำให้ทุกข์ใจทั้งพวกที่พกที่ถูกกระทเาเพราะนั้นอยากอยาคิดค่ากันงั่นเละสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอย่าคิดขโมยกันในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาญาติของเขาไปเรียกค่าไถย่อย่างเนี้ยเอ่อเป็นยังไง ถ้าถูกกับเราเราเสียใจไหมถ้าไปถูกกับเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอยากขโมยกันนี่แหละขโมยของเล็กๆน้อยๆขโมยรถขโมยลาขโมยสิ่งของขโมยของใช้ในบ้านอะไรมีมากมายขโมยแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าขโมยกันเมื่อเมื่อเขาหมกขโมยของเราเรามีความรู้สึกยังไง้เมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติไว้สิ่งอย่าขโมยกัน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 ถ้าเราเขาไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอย่างเราไปเขียนเช็ดแดงให้เขาอย่างเนี้ยแล้วไปย้อมแต่กลัวขายอย่างนี้แล้วมีหลายหลายอย่างโกหกต้มตุนหลอกลวงทุกวันนี้จะุบแล้วก็เขามาต้มเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปต้มตุนเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้น ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งการละกาัดอันนี้คือศินนะสรุปแล้วสินไม่ใช่อื่นไกลลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งสี่ข้อเขาเราเขาเราเขาเราใช่ไหมให้ลูกหลานคิดดูสิไม่เมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนในเมื่อเขาเขามาทําให้กับเราเราก็เรือดร้อนเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าแล้วมันจะเดือดร้อนเราจะไปทําให้กับเขาเขาก็คงจะเคารพสิทธิ์เราเหมือนกันเพราะเราไม่ทําให้กับเขา อันนี้คือศินสี่ข้อข้อที่5สุราเมรยมั ช, ชาประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราลูกหลานนะหลวงตาเนี่ยถ้าเป็นพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาจันทนะให้พวกเราคิดดูให้ดีนะถ้าพวกเราจะดื่มเหล้าเข้าไปแนละ้วให้พวกเราด้วยว่าคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอี น, นโคเคนอะไรก็ตามยาเสพติดทั้งหลายนะพวกเราจะ ดื่มเข้าไปให้คิดถึงหน้าหลวงตาจันทร์นะหลวงตาจันทร์สอนให้เราเราเป็นคนดีให้อย่าอย่าอย่าเป็นคนเลวถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันขา ด, ดติในเมื่อขาดจิแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลาบระล้วงในสามีภรรยาของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสตินตะ ในเมื่อคนขาดเต็ี่แลวความความชั่วในทุกอย่างเพราะฉนั้นให้ลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือศีลธรรม5ข้อเนี่ยนะสี่ข้อที่5้าเนี่ยหลวงพ่อเน้นหนักสำหรับลูกหลานทั้งหลายพระหาว่าลูกหลานทั้งหลายงดเว้นตัวนี้ได้ดีที่สุดนั้นลูกหลานนะให้เป็นคนดีหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าสีลข้อที่ห้าข้อสุราเมีรยะมัชฌะประมาณหลวงพ่อเปรียบเทียบกับเหมือนหลังคาบ้านหลังคาศาลาหลังนี้ละ่ะ เรื่อว่าหลังคาโบสหลังคาวิหารอะไรก็ตามคือหลังคาถ้าหาว่าบ้านไม่มีหลังคาพวกเราคิดดูสิแดดออกก็ร้อนฝนตกมาก็เปียกมันอยู่ไม่ได้ปิดอยู่กลางแจ้งนะ เ, เพราะอะไรเพราะมันอยู่ไม่ได้ไม่สะดวกมันร้อนนี้ก็เหมือนกันคนเราเนี่ยศินข้อที่ห้าคือสินลังคาบ้านถ้าบ้านถ้าใครก็ตามคนคนนั้น จะมียศนายศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนเกียรติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนร่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนถ้าเป็นบ้าเสอย่างเดียวลูกหลานคิดดูสิว่าจะเป็นที่ยอมรับไหมนี้ก็เหมือนกันถ้าคนดื่มสุราขาดสติหัวลาน้ำพูดไม่รู้จักภาษาคน อ, อ, อยู่ด้วยกันกับพูดไม่รู้จักภาษากันบราะมันมันเมา ลูกหลานคิดโดยสิว่าน่านับถือน่าเลื่อมใสน่าเชื่อถือไหมถ้าเป็นพ่อแม่ของเราเขาเป็นยังไงถ้าเราเป็นลูกของพ่อของแม่ลนะ่ะพ่อแม่จะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นสามีของใครก็ตามตระกูลของเขาเขาเสียความรู้สึกทางนั้นเพราะอะไรพ่อเราขาดสติเ อ, อเราเขาดสติพร้อมที่จะทําความชั่วเสียหายถ้ามีสัตราอาวุธอยู่ใกล้นะมีมีดพับ ปืนผาหน้าไม้อยู่ใกล้เออไมอ่หน้าไว้ใจเพราะคนเมาไงเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะถ้าเป็นลูกเราเป็นลูกศิษย์หลวงหลวงของหลวงตาจันแล้วนะหลวงตาจันทร์ต้องอยากจะให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นคนดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่ออินพ่อให้ฟังอย่างนี้ละ่ะก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายสํานึกสํานึกสําเนียกในใจให้เป็นคนดีเอออย่าไปทําจริงที่มันไม่ดีเออย่างที่หลวงพ่อวัน สีเลนะสุขติงยันติสู้จะไปสู่สุขติอถ้าคนเมาเราจะไปสู่สุขติได้ยังไงจะเป็นคนดีได้ยังไงพี่จะทุกขติเพะเพอพี่จะจับเข้าคุกเท่านั้นแหละทุกขติเป็นที่ไปอสีเลนะสุขติิงยันติสีเลนะโพก็สัมปทาสีเลนะนี่ติงยันตินะ ไปสู่ที่สูงสุดได้ถ้าเป็นพ ว, พวกเราเป็นผู้มีศินเพราะฉะนั้นเรื่องศินอย่าพวกลูกหลานอย่ามองข้ามจากนั้นเรื่องถ้าคนมีศินดีแล้วนะรักษากายวายจาใจาดีแล้วเราจะมานั่งสมาธินะสมาธิก็เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แค่คำว่าเรานั่งสมาธิวันนี้เราไม่ได้ทําความชั่วเสียหายเรานั่งสมาธิเราทึกนึกย้อนหลัง เล่เาจิตใจของเราก็อย่าสบายมีความสุขถา้าว่าเราเนี่ย่ไปตีเขามาไปชกเขามาไปทะเลาะกับเขามา อ, อแล้วก็ไปขโมยของเขามาแล้วไปผิด เ, เกี่ยวพาราศีเขามาไปโกหกเขามาแล้วไปดื่มสุรามาแล้วมานั่งภาวนาลูกหลานคิดดูสิมันจิตใจจะเป็นสมาธิได้ไหมเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉนั้นศีล เป็นเบื้องต้นเมื่อเราสำรวมกายวายจาดีแล้วนะเราก็มานั่งสมาธิมอนั่งสมาธิเราก็สัมรวมใจได้เ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มื่อเรา่มเขามาสำรวมใจได้จิตใจของเราก็เน่งมีความสุขเนี่แหละเรื่องสมาธิจากนั้นเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิดีเราจะนำมาพิจารณาการกรองไตรตรอ ง, รรองด้วยเหตุด้วยผล <c oughs> ก็เป็นปัญญาที่แท้จริง <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าใจของเราเนี่ย เป็นสมาธิแล้วมาก่นกรองไตรตองเหตุและผลก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องศีลก็ดเีเป็นศีลเป็นบ่อแรกที่ทำให้เกิดสมาธิในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตใจนิ่งสงบแล้วก็มาพิจารณานก็เกิดปัญญาที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะเรื่องศีลอย่ามองข้ามและสมาธิและปัญญา เออเป็นของคู่กันถ้าว่าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนั่นแหละลูกหลานจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูตรนั้นลูกหลานนะไม่ต้องถามใครเลยเออเมื่อนั่งจิตสงบสงบนะนั่งเหมือนหลงปุกลงตานั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพยายามนั่งให้นานนะลูกหลานนะพระลูกพรหลานนะหาโอกาสาอย่างนี้หาได้ยาก เราจะพยายามนั่งให้นานอยู่ตามลําพังนะพอนั่งขัดสมาที่เสร็จแล้วอย่าไปนั่งใกล้กันอย่าไปนั่งคุยกันดูนั่งปีกตัวออกตามลําพังพอ n a ัดสมาธิอากาศเยน็นๆลมพัดทบายๆพอนั่งสมาธิแล้วกําหนดลมหายใจเข้าออกนันลูกหลานน ะ, ะนั่งขัดสมาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปนมปโนมโนมือนะวิธีการนั่งสมาธิทําแบบง่ายๆอตอนหัวขํามเราก็ไปทำวัดกับครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะ บางทีท่าในให้นั่งสมาธิก็ใช่เรานั่งสมาธิในรวมกลุ่มนันนะอันนั้นเป็นนั่งสมาธิรวมกลุ่มนะสู้นั่งสู้นั่งคนเดียวไม่ได้นะพระลูกพระหลานนะถ้าเมื่อกลับ ม, มาถึงกุฏิแล้วเอเถอะเราก็นอนมาพอแรงแล้วล่ะนอนจนหลังแบนพอแรงและบัดนี้เราจะนั่งสมาธิเรามาบวชเพียงไม่กี่วันเราควรจะทําให้อุกฤตเราควรจะภาวนาเราก็มานั่งหาหมุมสงบในกุฏิหรือในที่ ในก็ตามใส่นุ่งทำพิมุนครอบอมมุนครอบออมาครอบเสร็จแล้วก็ไหว้พระอีกสักรอบหนึ่งพุทโธธรทรมโมสังโฆเวลาเรากราบครั้งที่1กับพุทโธกราบครั้งที่สองก็ธรรมโมกราบครั้งที่สามกัสังโฆให้กราบพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่กราบ3ามครั้งนะกราบพระพุทธเจ้ามีความหมายพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นประนมมือขึ้นระหว่างศีรษะนิพพานัง ข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานไม่จะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนิเอกนิพพานังจากนั้นเราก็นั่งขัดสมาธิแล้วไงขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยประนมมือขึ้นละวางอกพอระวางอกเราไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พรการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่หลวงตาจันสอนนะไม่ใช่หลวงพ่ออินสอนนะเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพอ่อเนี่ยนำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้ลูกหลานพระลูกพระหลานน้องลุงได้ฟังเนี่ยไม่ใช่คําพูดหลวงพอ่อเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าได้ศึกษามาในพระธรรมคําสอนและได้หลวงพ่อเองได้ปฏิบัติมาแล้วเออไม่ปฏิบัติยังไพงพอหลวงพ่อบวชมาตั้ง56เกือบสิบหกปีนะ เออลุงพ่อนั่งพอหนาเกือกนเะพาไม่ขาดแต่ละวันแต่ละเวลาอีกต่างหากนะพยายามทําให้จิตใจสงบอยู่เสมอนะเพราะถ้าจึงนํามาเห็นลงตาของพ่อเห็นคนแล้วจะได้ น, นํามาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับพระลูกพระหลานที่เข้ามาผัวดได้ฟังจากนั้นเราประนมมือขันอย่างที่ว่านะประนมหรือไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมวสุสงประนมมาขึ้นเสเ ร, ร็จแล้วก็พูดโธรทำโม สังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเอามือลงด็เอามือขวาเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกับวลีกรรมนะสิหายใจเข้าออบริกรรมพทุทหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแต่สายอื่นกระชุบน้องพองน้อวบัง อะไรกําหนดอะไรดวงแก้วบางอันนั้นเราเข้ามาช่วงนี้ไม่กี่วันเราเข้ามาเพื่อศึกษาบวชเข้ามาสายในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นให้เราศึกษาสายนี้ให้จริงจัง เ, เราจะออกไปเราจะเอาศึกษาสายอื่นก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่ได้บอกว่าสายหลวงปู่มั่นเลิศเลอเฟอร์เฟก perfect, ก็ไม่ใช่ขนาด น, นั้นเพียงแต่ว่าเราหลวงพ่อศึกษามาในสายนี้ หลวงพ่อกัอนแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตามดูสิอาจจะถูกกับอุปนิสัยจริตนิสัยของพ่อลูกพ่อหลานก็ได้ให้ลูกหลานปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำแนะนําบอกกล่าวดีนะจากนั้นกหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทรเมื่อมันเผลอไปเราก็ดึงกลับมาอีกเมื่อเผลอไปที่ไหนดึงกับพดโถยให้อยู่ในปลายจมูกไม่ต้องตามหลงเข้าไปในท้อง และไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกหายใจเข้าออบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโถนี่แหละคือการบริภาวนาหลวงพ่อเปรียบให้เสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตูนะเวลาคนเข้ามาประตูเราก็ารู้ว่าคนเข้าแต่ไม่ต้องตามเดินตามหลังคนเข้าไปนะให้เข้ า, าลมผ่านเข้าไปจมูกเราก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงปอดนะนะไม่ต้องถึงขนาดนั้น เพียงแต่ว่าลมเข้าไปแล้วกลาา็ลมออกไปลมเข้ามาลมออกไปลมเข้ามาลมออกไปให้มีสติสัมปชัญญะที่ปลายจมูกเท่านั้นนะไม่ต้องคิดไปไม่ต้องตามลมเข้าไปออกไปอันนี้คือกําหนดลมหายใจเข้าออกแต่ทุกครั้งที่เข้ามาเราก็บริกรรมพดเวลาหายใจออกบริกรรมโธนี่แหละถ้าหาว่าจิตใจมันยังไม่อยู่มันยังเผลอแพบไปเหมือนกับลัวเลยนเหมือนกับเรายิงเขายิงปืนคนลักษณะ พุทโธพุะโธพุทโธพุทโธพุทันปุทโ้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโ้พุทโมันทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโอไม่ให้มันมีช่องว่างเพุทโขพุทโธวุทนีุ่ทโนนุทโธพุทโาพนทาธพุทโธพุทโธพอทโธพุลโธพุทโธพุทโธพุทโนพุทโธพุทโธุ้ทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทาธพุทหธนุทโอพนับธพุนโธพุท นับผ่านระบบตึงถึงร้อแต่ถ้ามันเผลอจุดไหนถ้ายังไม่ถึงสิให้กลับมานับ1นึใหม่อีกมันทำมันมันเผลอมันเผลอได้อย่างไงแล้วก็มาอีกนับ1อีกถ้ามันนับไปไม่เผลอนับถึงร้อยสสครั้งมันเผลอมันเผลอยังไงครับหลวงพ่อมันเผลอก็คือเวลาหายใจเข้าเรานับ1นใช่มหนึ่เป็นเลขขี้ใช่ไหมลูกหลานนั่สังเกตนะหายใจเข้า1เป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่2 3 4สรุปแล้วก็คือขี้ คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยไม่เผลอไปลว่าสติของเราดีนะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเผลอละ่ะมันเผอลอแค่แค่ว่าพอหายใจเข้าเ อ, อขี้คู่ขี้คูนะ่พอมันจะเผลอบอเบอร์เข้าไปมันจะคู่ขี้นะสิมันจะหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้นะัแล้วมันเผลอแล้วนะมันเผอละนะเผอแล้วกลับมาใหม่อนะีกฮะนี่แหละพยายาม พยายามฝึกสติให้อยู่กับตัวเองถ้าคนมีสติสัมปชัญญะแล้วจะไม่เป็นอันใส่เมื่อนะลูกหลานนะมีสติเหมือนกับสติเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเออเราจะนึกคิดเรื่องอะไรเราก็รู้ได้นั่นแหละเมื่อจิตใจรวมสงบสิเมื่อจิตใจเราเอากำหนดลมอย่างนั้นละกำหนดลมหายใจเข้าสงบในเมื่อสงบแล้วสิจิตใจเน่งแล้วเราจะมองเห็นมองเห็นใจตัวเองอจิตใจเน่งเข้าไปอเราเห็นได้ชัด เลยในความรู้สึกของเรากายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันเลยทีร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทปไปฟังกันนะพาลูกพาหลานนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ยไม่เหมือนกันเออมันคนละอันกันเออไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน เ, เพราะนั้นในรูปหลางทั้งหลายนะนั่งภาวนาเราจะจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้ ว, ลวสูญเห็นได้ชัดเลยเมื่อจิตใจผ่านความสงบนะ ร่างกายรถเนี่ยตายแตกเอาไปเผาไปทิ้งแ น, แน่แต่จิตใจขึ้นน้มามธรรมตัวผู้รู้นะ่ยคือโซเฟอร์นะไม่ตายออกจากร่างนี้ไปเกิดหาที่เกิดใหม่อีกนี่แหละตัวนี่แหละเป็นตัวที่สําคัญอย่างมากอย่างอย่างพระพุทธเจ้าได้ท่านพูดตัดเป็นชาดกนะลูกหลานหลวงพ่อจะเล่านํำเป็นชาดกให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ ออสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสวรรเอถีอวันหนึ่งอนาถาพิทิกษเศรษฐี เ, เข้ามากราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายตามปกติอนาถาพิทักษ์เศรษฐีจะเข้ามาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นถ้าพระพุทธองค์ไปฉันที่บ้านอนาถาพิทิกษ ะ, ะเศรษฐีจะมาตอนเย็นมา ถวายน้ำปานะหรือแต่ถวายทำรรมาฟังท ร, รมาทำรมเทศนาตอนเย็นแต่วันนัต น, นาถาเมติการเรษฐีเข้ามาตอนบ่ายเออเข้ามาผิดเวลาต้องมีเหตุแน่แจึงเข้ามาตอนบ่ายเพราะพระองค์ก็ถามว่าเออโยมนาถาเมติทําไมวันนี้เข้ามาตอนบ่ายด้วยเหตุใดหนออนาถาเมติกาเศรษฐีจึงบอกว่าคื อ, อนาถาเมตนะิเป็น เป็นโยมอุปถาคพระพุทธเจ้านะเป็นวัยยาววัจกรได้วเป็นโยมอุปถาคพระพุทธเจ้าน่ยเออเพีได้หนอจึงมาตอนตอนตอนบ่ายตอนเที่ยงวันนี้หนอแม่าถวัดดีกับโอ้ข้าพระองค์ไม่สบายใจพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยหลานชายของข้าพระองค์มาป้วนเปี้ยนมาหลายครั้งเออเพราะว่า หลานคนนะี้เป็นลูกของพี่ชายเคอตระกูลของข้าพวง ม, มีพี่น้องอยู่ด้วยกันหลายคนจากนั้นโยมพ่ อ, อได้มรณะภาพลงไปได้มรณะลงไปโยมพ่อพวกเราก็ได้แบ่งสมบัติกันในคนละมากทีเดียวคนละสามสี่สิบโกดน่นก็มากอยู่กระผมก็ได้ส่วนหนึ่งกับพี่ชายเขาก็ได้ส่วนหนึ่งคนละส่วนไป ดังนัน ต, ต่างคนก็ต่ตางทํามาค้าขายกันแต่ลูกของพี่ชายเนี่ยอพอต่อมาพี่ชายก็เลยตายอีกพอตายไปแล้วก็มอบสมบัติให้หลานใ ห, ให้ให้ลูกพอลูกคนนี้น่ยลืมตัวเนี่ยกินเหล้าเมายาสัมมาเลธีเมาสุรานารีาพาชีกิลาบัตไปลว่าอวายามุก เ, เขาเก่งหมดทุกอย่างเลยพอมาสมบัติเขาเขามดกัสิ พอมันเล่นเล่นการพนันใช่ั้ยล่ะทั้งที่สมบัติพ่อมอบให้แล้วท่านี้พอสมบัติตัวเองหมดท่านี้ไม่มองไม่หาใครขึ้นไปเห็นตาอาป่ะเออคือน้องพอ่อใช่ไหม เ, เขาเข้ามาเขาก็้ามาถามยกมือไหว้อาครับ เ, เงินผมมันขาดมือครับผมขอยืมครับทางอาเออเออเห็นว่าโผล่เข้ามามันคงจะขาดเงิน อาขอเขาไม่ด้สอบถามมาเลยก็ให้เลยอัน น, นถามบุติก็ให้ไปพอให้ไปอกีกไม่นานเอกโทรเข้ามาอีกเอก้าอาอาอ า, อ า, อาผมขอเงินอีกเอก้เอามันทําไมมันเงินช็อตในเร็วนักก็ให้ไปอกีกก้อนใหญ่พอสมควรเศรษฐีให้เพว่า ไ, ไปให้ไปลงทุนที่ไปให้หลานไปลงทุนพอมาครั้งที่สามเอา้าทําไมมันมาบ่อยนักวะไอ้นี่นะสืบสอบด้วยซิมันเป็นยังไงที่ไหนได้โอ้โหมันเจ๊งเอ่มัน ทางเที่ยวทางเตรจุรานารีพาชีกีฬาบัตรจุดครอบไปเลยท่านนี้ก็พาบอกให้ข่าวเนี้ยไปอย่าเข้ามาอีกนะถ้าเขินเข้ามาจะทําให้พี่น้องลูกหลานบริวารของข้าเสียหายเดี๋ยวจะมาแนะนําบอกเก่าให้ลูกน้องของเราปฏิบัติอย่างตะแก่เนยตายอย่าเข้ามาอีกนะถ้าเข้ามาข้าวหน้านี่เจ้าจะใส่คือใส่คาเนี่ย ลากคอออกไปนะย่าเข้ามานะแต่แกก็ไม่มีที่จะไปใช่ไหมนะตานี่มึงมาครั้งที่วสิก็มาเข้ามาอีกมาขออีกมาค่าวนี่หนึ่งทางให้เงินด้วยเอาไม้กระลกสมัยก่อนเข้าบอกตีคือคาใช่ไหมลากคอออกไปแซ่หัวหลังอีกตี่มึงอย่าเข้ามาอีกนะถ้ามึงเข้ามาอีกคราวนะ่ากูจะเขาให้เกดกว่านี้ไอหลานชายเนี่ก็พอลากค อ, อ, อกไปแซ่หัวหลังอีกใช่ไหมให้เงินนละ มันก็ไปชัดเซไปเนจรนเปรมเขเลยตายพ่อตายท่นี้อาาถาบดิกาเสถีท่านนี้ก็ไม่สบายใจ เ, เราทำทำเกินทําเกินไปหรือเปล่านะทากับหลานนี่นะแต่เมื่อกลืออดเหลือทนจริงๆถ้าจะเลี้ยงมันไม่รู้จะเลี้ยงไปถึงไหนตั้งที่พ่อมันก็รวยแสนรวยมันกเกเรจริงๆไอเนี่ยทํำยังไงอพอเทศศรุตก็เลย พอหลานตายท่านั่นแหะก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าตอนตอนบ่ายอย่างที่ว่านาพระพระาทาุทธองค์บอกาอาณาถาเบติโยมวิญญาณดวงนี้เป็นวิญญาณเร็ว เ, เราเคยเลี้ยงมาแล้ววิญญาณดวงนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องหรอกเลี้ยงไม่เชื่องเอมันเร็วมาเร็วไปอย่างเก่านั่นะพราะนั้นเอไม่ต้องไม่ต้องคิดหนักใจเออไม่ต้องคิดหนักใจมันทาผ่านไปแล้ว จะทํำยังไงได้มันก็ตายไปแล้ว เ, เราเคยเลี้ยงมาแล้ววิญญาณดวงนี้มันเคยชั่วมันชั่วมาแล้วมันเลี้ยงไม่ขึ้นหรอกอานาถาบ่ได้กาะเสถียรเลยโอ้พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นก็เลยถามว่าสมัยน้อยสมัยไหนหนอพระพุทธเจ้าข่าทิ่พระพระธองค์เลี้ยงวิญญาณดวงนี้นะที่ว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ใหญ่เลี้ยงไม่เจริญเน่ยเลี้ยงแล้วไม่เจริญมีแต่เสื่อมสมัยไหนหนอพระเจ้าค่ะเอาตั้งใจฟัง สมัยหนึ่งเราตะทาคตเกิดเป็นเศรษฐีอยู่ที่กรุงพาราณสีทั้งเป็นเศรษฐีใหญ่รวยรวยที่สุดในยุคสมัยนั้นแต่เราทํามาค้าขายเราเป็นลูกชายอยู่คนหนึ่งพอลูกชายคนหนึ่งพรนั้นขึ้นมาเราก็เน็่ยทโรงทานเราเราเป็นจิตใจใเป็นกุสดตั้งโรงทานหกโรงทานคือประตูเมืองสประตูนะ ปั๊ดซีประตูสี่ประ ต, ระตเออูเราตั้งโรงทานประตูละหนึ่งแสนกหาปณะนะแล้วก็กลางเมืองอีกหนึ่ง0สนกหาปณะนะแล้วก็ประตูบ้านของเราอีกหนึ่งแสนกหาปณะนะเราทําทานอยู่วันละหกแสนกหาปณะนะแต่ละวันแต่ขนาดนั้นเงินของเราก็ยังไม่คําว่าพ่องไม่มีรายได้ของเราดีมากออจากนั้นก็ทําบุญทําทานกับคนเดินทาง คนทุกคนจนคนไม่มีอันเด็กินก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแต่ละวันวันละหกแสนกหาปณะหาพอต่อมาอันนี้สงทานของเราอันนี้สงทานของเราทําบุญทําทานพอจากนั้นเราก็ตายพอตายแล้วเราไปสู่สวรรค์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวระดึงเราได้เป็นพระอินทร์ในชาตินั้นพอตายจากเมืองมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์ได้ได้เป็นพระอินทร์อบนสวรรค์พอได้เป็นพระอินทร์แล้วก็เลยเอ๊ สมบัติของเราก็มอบให้ลูกชายลูกชายก็เนยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวพอมอบให้ลูกชายลูกชายกันเนยได้สมบัติมาแบบไปคิดไม่อ่านแบบได้มาแบบ อ, อะไรหลนทัพบว่ากันเถอะสมหลนทัพลักษณะอย่างนั้นแหะก็ลืมตัวเลยพอได้เงินมาแล้วกันไปเที่ยวย่างทีิวานทุรากรล่ะสุราทั้งนาเร่ท่านเนเีผู้หญิงเข้ามาแล้วก็พาชีการผนันท่าน เอจากนั้นก่อนนะเอาหมดทุกอย่างทีนีเ้เพราะในสุดสมบัติมันจะเหลือหรือกดกินเหล้าเขาไม่แตคตรไม่แตโกงไม่จะเออันนั้นเข้าไปทิเี๋คนขี้เหล้ามันไม่มีสติอยู่แล้วใช่ไหมหมดสมบัติไม่มีเลยเอผลในสุดที่ดินก็ขายที่ไถท้ที่นาที่โรคโรสวนขายหมดพ่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นพระอินทร์มองลงมาโอ้ตาย ลูกของเราเป็นขอทานจะแล้วงดสมบัติแล้วเราควรจะไปบอกเขาจากนั้นพระอินทร์ก็ลงมาดัพระอินทร์ก็ต้นแสนเมตตานี่ยพ่อรักลูกนะพ่อลงมากับนิรมิตพ่อนิรมิตพระ อ, องค์เป็นเออเป็นพ่อนะเออเป็นพ่อของเออเป็นเศรษฐีนะนะั่นแหละลงมากับลูกชายเนี่ยจําได้ว่าพ่อเหมือนันนะเะพราะพระอินทร์จําแรงตัวเป็นไนดะ้จะเอาเป็นจําแรงยังไงก็ได้ฮะ พ่อจำแรงมาเปิดพ่อมาโอ้คุณพ่อครับทางพ่อโอ้ลูกที่รักของพ่อเป็นยังไงล่ะโอ้ผมจนแล้วครับพ่อเอาทำไมโอ้ยผมดำเนินกิจการผิดพลาดผมเล่นเกินไปครับพ่อผมยอมสารภาพครับเออลูกเอ้เอาเธอนะมันผิดพลาดไปแล้วจะทำยังไงเอาเธอพ่อจะให้มอใบเนึ่งมอบใบนี้มอบสารพัดนึกนะแต่ลูกพ่อต้องรักษาให้ดีนะ เวลาลูกอยากจะได้เงินก็ตั้งจิตอธิษฐานกับ ล, ล้วงเงินเข้าไปในหม้อนี่เลยจะได้เงินออกมาทำมาทามาหาเลี้ยงชีพได้นะลูกเอาพ่อมอบให้แต่ต้องเป็นคนดีนะลูกนะครับผมผมจะเป็นคนดีครับแต่ที่ต่อไปครับพ่อนะยอมรับทุกอย่างเพราะว่าคนมันเคยทุกมาแล้วใช่ไหมจะได้ต่อมาไงพอได้มอไปนั่นคือมาเลยกัล้วงมือเข้าไปในหมอ้อ เออซื้อทํามาหาเลี้ยงชีพทำไมมาค้าขายร่วงเข้าไปเท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นใช่ไหมเออพอในสวนเนีน่ยพอรวยขึ้นมาเท่นี่ไอ้พวกกะวะเลกาวราดไอ้กลุ่มที่เร็วๆนั่นะอก็เข้ามาหาอีกท่นี้แล้วเขามาประสานติดต่องานอีกเข้ามากันเลี้ยงเขาอีกเพราะไฟรุ่นเก่าเลยฝาฐานฐานเก่านะ่ยมันติดได้เร็วเลยไอ้มันฐานเก่าติดไดเร็วเพราะจะได้เลี้ยงเขาอีกจะนี่ เออตัวเองก็เมาแป้อีกอย่างเก่าเลยนี่เออพอเมาแป้เลยเออแต่พกกันจังล้วงเงินคำเงินเงินเงินจะออกมาจากหม้อหม้อไปนั้นได้อยู่พอในที่สุดพอเออกินเหล้าเมาได้ที่แล้วแตนี่คิดสนุกแล้วแตเออโยนหม้อขึ้นบนอากาศใช่ไหมเฮ้โยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับมันก็ไม่รับมันไม่รู้อะไรพเอพราะคนคนเมาใช่ไหมคนขี่เหล้าใช่ไหม มันจะรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสเสียไม่เสียมันก็ไม่รู้ทั้งหมดนะั่นแหละพอมันเมาไงละ่ะคนเมาทําความชั่วได้ทุกอย่างความเสียหายได้ทุกอย่างเลมันก็ยกหม้อโจนลับยกหม้อโยนลับหม้อพลัดตกลงมาโปะลงมาหม้อแตกเลยพอหม้อแตกท่านั้นแหละมดถ่ายมันจะเอายังไงเลยหม้อแตกละ <c oughs> จะหาจะหายเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคง คงจะหายหมอกไปชั่วขนาดนึ่งเพาพ่อหมอกมันแตกนี่สิพระเนสุก็เลยหมดสภาพไปอย่างเขาจนโลอีกอย่างเก่ า, เ, าเป็นอย่างเก่านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่ก็หาบดีอนนาถามติกาเศรษฐีนี่แหละวิญญาณดวงนี่แหละวิญญาณดวงนั้นแหละมาเกิดเป็นหลานขอ ง, ของท่านของเธอนี่นะของท่านนี่นะมันเลี้ยงไม่มันเลี้ยงไม่มไมโตหรอก ว, วิญญาณชั่วเลี้ยงเท่าไรก็ไม่รู้จักโตไม่เจริญรุ่งเรือง ไ อ, อ้ค่อยนั้นวิญญาณชั่วนะอย่าไปเลี้ยงหถือจะไปเสียใจไ อ, อ้อย่าไปเสียใจกับที่ท่านไม่ได้ดูแลเขาให้ดีถึงจะเลี้ยงยังไงก็มันคนชั่วอยู่แล้วมันเลี้ยงไม่โตหรอก น, ะนี่แหละให้ลูกหลานฟังเอาไว้นะที่หลวงพ่อสาธกเป็นนิทานชาดกให้ลูกหลานได้ฟังพวกเราลูกหลานคงจะไม่พึ้งขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามความชั่วอย่าทำเลยดีกว่าความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เป็นพุทธภาจิตว่าในโอวาทปฏิโมอะอกตังลุ ก, กตังเส้ยโยปัชชาตปติลุ ก, กตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นให้พระหลูกพระหลานน้องนุ่งทั้งหลายนะ ให้ฟังเอาไว้ว่าเรื่องที่มันชั่วที่ขาดจริยธรรมจะเป็นนักเลงหัวไม้ข่าใครก็ตามขโมยใครก็ตามผิดสามีภรรยาลูกหลานใครก็ตามโกหกต้มตุน๋นอะไรก็ตามกินเหล้าเมายากก็ตามล้วนแล้วแต่มันไม่ดีทั้งนั้นนะลูกหลานนะทำให้ตนเองเกิดร้อนไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าพวกลูกหลานเองถ้าลูกหลานไม่รับผิดชอบในชีวิตของตัวเองแล้ว ใครจะเป็นคนรับผิดชอบให้พ่อแม่ก็ต้องนับวันที่จะเท่าแกชา่ชราตายในที่สุดถ้าเราไม่รับผิดชอบในตัวของเราเองไม่มีใครจะรับผิดชอบนะผารุ่งพระหลานนะการกล่าวสัมโหธนิยกถาในวันนี้ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาิีว่าสีเลนะสุขติญญาติสีเลนะโคกสัมปทาสีเลนะนิพุติญญาติ ผู้จะไปผู้จะมีผู้จะไปสู่ความสุขสีเลนะสุกติผู้จะมีความสุขกายสุขใจจนถึงความสุขอันยอดเยี่ยมได้ก็เพราะสินสีเล น, นโะโพกสัมปัทาาผู้จะเป็นผู้ทรงสมบัติได้ผู้มีเงินคำทรัพย์สมบัติได้ก็เป็นผู้มีสินสีเลนะนินพุติยันติผู้จะไปสู่มรรคผลนิพพานอันยอดเยี่ยมได้ก็คงเป็นศินอีกเหมือนกัน เพราะในลูกหลานทั้งหลายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในคราวนี้เป็นผู้มารักษาศีลถึงจะมีเนเมีเวลาน้อยก็เป็นเวลาที่มีคุณค่านะผ้าลูกผ้าหลานส ม, มเด็จทั้งหลายนะออขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในโอวาทของหลวงตาจันของพวกเรานะออของตาจันท่านเจตนาดีนะ ท่พ่อยนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจริยธรรมจริยธรรมที่ดีเมื่อออกเป็นครวญญาติโยมไปแล้วก็ให้เป็นคนดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลไม่ไปไปที่ไหนนะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์